บทที่หกสลายตนะเป็นปั จ, จัยให้เกิดผัสสะผัสสะมีอายตนะเป็นปั จ, จัยหลังจากอธิบายถึงอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปและสลายตนะซึ่งเป็นปั จ, จัยกลุ่มแรกในหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วต่อไปจะกล่าวถึงผัสสะที่มีสลายตนะเป็นปั จ, จัยสลายตนะหมายถึง อายตนะภายในหรือทวารหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกหรืออารมณ์หกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐ พ, พะัะและธรรมรมณ์มนโนนึกเรื่องที่รู้คิดทางใจการกระทบสัมผัสระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเรียกว่าผัสสะ ภาษาเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดทางใจรู้ได้ด้วยใจไม่มีรูปร่างสันฐานจับต้องไม่ได้แต่ก็เป็นสภาวะที่ปรากฏชัดเมื่ออารมณ์กระทบนั้นมีความชัดเจนหรือมีอำนาจพอสมควรตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นคนถูกรังแกเรารู้สึกตกใจไม่สบายใจ หรือเวลาเราเห็นคนห้อยโหอนอยู่บนยอดไม้ด้วยเชือกเส้นเล็ ก, เ, ลกเรารู้สึกวาดเสียวและเวลาเราตื่นกลัวเราจะรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังการได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจก็ทำให้รู้สึกประทับใจไม่ลืมเลือนแม้เวลาล่วงเลยไปนานเรื่องที่ยกมาสาธกนี้แสดงให้เห็นถึงอานาจของผรษะ หรือการกระทบของอารมณ์ที่มีต่อจิตใจบางครั้งผัสสะที่มีกําลังแรงมากมักจะทำให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรงตามไปด้วยเช่นเกิดความรักหรือความโกรธที่รุนแรงในอัตกถาอังคุตระนิกายกล่าวว่าในรัชสมัยพระเจ้าสัทธาติดสะกษัตริย์สิงหหนสมัยโบราณ มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้สบตากับหญิงสาวคนหนึ่งทั้งสองต่างถูกเพลิงสเส น, น่หาเผาผลาญจิตใจจนถึงแก่ความตายในที่นั้นและภิกษุชารารูปหนึ่งถึงกลับเป็นบ้าแค่เพียงได้ยนชฉมของธมินเทวีมเหสีของพระเจ้ามหานาคโดยขาดสติ มุตุลักษณะชาดกในมุตุลักษณะชาดกเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นฤาษีผู้ทรงฌานอภิญญาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ในวันหนึ่งได้เหาะไปยังพระราชนิเวศของพระราชาเพื่อฉันอาหารตามปกติเมื่อพระมเหสีเห็นฤาษีเหาะมาก็รีบลุกขึ้นต้อนรับโดยไม่ทันได้ระวัง ทำให้ภูษาทรงหลุดออกฝ่ายลือสีเมื่อเห็นสรีระที่ประศากผ้าของพระมเหสีก็เกิดราคะขึ้นอย่างท่วมทน้นไม่สามารถฉันอาหารได้ชานที่มีอยู่ก็พลันเสื่อมไปท่านจึงต้องเดินกลับไปบนนารรณศาลาแล้วได้แต่นอนสมอยู่ด้วยเพลิงกิเลสเมื่อพระราชาทรงทราบความ จึงได้ประทานพระมิเหสีให้แก่ลือสีด้วยดำริว่าลือีคงจะได้คืนสติในไม่ช้าทรงมีรับสั่งให้พระมิเหสีหาอุบายช่วยลือสีให้หายจากพิษรักโดยเร็วเมื่อลือสีพาพระนางเดินออกมาจากพระราชวังเมื่อพ้นประตูวังพระนางได้บอกให้ลือสีกลับไปทูลขอบ้านจากพระราชาซึ่งได้ประทานบ้านเก่าให้หลังหนึ่ง เดิมใช้เป็นที่ทิ้งอุจจระและขยะทำให้ฤาษีต้องกลับไปขอพลุวกลับกระบุงมาเพื่อขนสิ่งสกปรกไปทิ้งหลังจากนั้นก็ต้องกลับไปขอสิ่งต่างๆที่จาเป็นจากพระราชาอีกหลายต่อหลายครั้งตามคำขอร้องของพระมเหสีทำให้ฤาษีเหนื่อยแทบขาดใจถึงกระนั้นก็ยังไม่คลายจากสเสน่หหาราคา ที่กลุ่มรุมอยู่หลังจากที่ได้ทำตามพระประสงค์ของพระนางเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วฤาษีก็หมดแรงสุดกายลงนั่งพักเมื่อพระมเหสีเห็นดังนั้นก็เข้ามาและถามว่าท่านไม่รู้ตัวหรือว่าเป็นสมณนะมีกิจต้องกำจัดความใกล้ในกามทั้งหลายหรือท่านหลงลืมสติเสียสิ้นแล้ว เมื่อฤาษีได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกตัวตื่นจากความมืดบอดโง่เขลาพาพระนางกลับไปถวายคืนพระราชาแล้วกลับไปปฏิบัติเจริญสมาธินาป่าหิมพานจนได้ฌานอภิญญากลับมาดังเดิมเมื่อหมดอายุไขก็มรณาภาพและได้ไปอุบัติในพรหมโลกข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือ แม้บุคคลที่ได้สั่งสมบุญบา ร, รมีมามากเช่นกับพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่สามารถหนีพ้นจากเพลิงกิเลสตัณหาได้ฤือสีนั้นอาจได้เคยพบพระมิเหสีมาก่อนแล้วเพียงแต่การพบเห็นในอดีตไม่ได้ก่อให้เกิดผัสสะที่ชัดเจนถึงกับทําให้เกิดความรู้สึกรุนแรงแต่การได้เห็นพระมเหสีประทับยืนอยู่ชัดเจน เป็นผัสสะที่มีอำนาจมากต่อความรู้สึกของคลือสีจึงทำให้ต้องเร่าร้อนได้เพลิงกิเลสอยู่นานหลายวันอุมาทันตีชาดกในอุมาทันตีชาดกมีเรื่องเล่าว่านางอุมาทันตีเป็นผู้หญิงมีรูปโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือ พระเจ้าสิวิราชจึงให้พรามที่ปรึกษาไปสืบดูว่านางมีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นพระชายาได้หรือไม่เมื่อพรามได้ยนโฉมนางก็หลงไหลลืมตัวจนแสดงกิริยาเหมือนคนเสียสติอุมาทันตีจึงให้ขับพรามออกจากบ้านพรามรู้สึกอับอายจึงผูผอากคาตและได้ไปกราบทูลความเท็ดแด่พระราชาว่า นางเป็นหญิงกาลกินีไม่มีคู่ควรเหมาะสมที่จะเป็นพระชายาเท้าเธอทรงเชื่อคำปรามจึงเลิกสนพระไทยนางอีกต่อไปต่อมาภายหลังอุมาทันตีได้เป็นพระยาของเสนาบดีชื่ออภิปารกกะแต่ยังคิดโกรธแค้นพระเจ้าสิวิราชอยู่ในวันนัขัดตะเลิกพระองค์เสด็จประพาสพระนคร ได้ทอดพระเนตรเห็นอุมาทันตีซึ่งนั่งชายตาย่วยวนอยู่บนเรือนก็เกิดความคลั่งไคล้หลงหลานางได้แต่พร่ำเพ้อถึงความสเสน่หาที่มีต่อ น, นางเป็นคาถามีเนื้อความว่าหากเท้าสักกะจะประทานพรก็ขอให้ได้อภิรมกับนางสักคืนสองคืนเถิดความรุนแรงของผัสสะนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอารมณ์ที่มากระทบ ถ้าอารมณ์เลือนรางไม่ชัดเจนผัสสะก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกเพียงเล็กน้อยแต่หากเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนก็จะก่อให้เกิดผัสสะเวทนาและตัณหาเป็นต้นที่มีกำลังมากนอกจากนั้นผัสสะยังชักนำให้เกิดโทสะได้เช่นกันเช่นเวลาที่เราเห็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาจะรู้สึกโกรธ หรือเวลาที่เห็นอารมณ์ที่น่ากลัวจะรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินถ้อยคำที่หยาบคายจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อคิดถึงสิ่งที่น่าปลาบปลื้มในตัวเองจะรู้สึกภูมิใจอันเป็นลักษณะของมานะเมื่อคิดสงสัยว่าอาจจะมีวิญ ญ, ญาณที่เป็นอมตะหรือหลงเชื่อคำสอนที่ปฏิเสธกรรมและผลกรรม ก็หมายความว่าเรากำลังมีมิจฉาทิฏฐิเมื่อได้รับอารมณ์ที่ทำให้อิจฉาก็จะรู้สึกริษยาเมื่อเห็นสิ่งที่หวงแหนไม่อยากแบ่งปันให้ใครเราก็จะมีความตรนีทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของอกุศ ล, กร ร, ก, ดด ก, ศลกรรมที่เกิดโดยมีผัสสะเป็นปัจจัยตัวอย่างของกุศลกรรมที่เกิดโดยมีผัสสะเป็นปัจจัยเช่น เมื่อเราพบสิ่งที่น่าเลื่อมใสมีพระพุทธรูปเป็นต้นก็จะเกิดศรัทธาเมื่อพบบุคคลผู้ควรรับทานก็รู้สึกต้องการจะให้ทานอันเป็นลักษณะของอโลภะเมื่อพบอารมณ์ที่เราควรจะอดทนก็รู้สึกอดทนอันเป็นลักษณะของอะโทสะในบางขณะเราก็จเจริญสติเมื่อรู้สึกได้ถึงสภาวะ ปัจจุบันคือรูปนามล้ว น, วนในคำพีสัมพิธามักกล่าวว่าเวทนาสัญญาและสังขารได้แก่เจตสิกที่เหลือเกิดขึ้นโดยมีผัสสะเป็นปัจจัยดังนั้นผัสสะจึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเป็นต้น